บุรุษสองคนเดินเข้าประตูโบสถ์มาคนหนึ่งเดินมาตัวเปล่าอีกคนแบกหีบใบเขื่องไว้บนบาเข้ามาในโบสถ์แล้วคนแบกหีบพูดกับอีกคนหนึ่งว่าถึงวัดป่ามะม่วงแล้วนี่คือสมภารผมจะกลับละเขาวางหีบลงบอกท่านพระครูว่าหลวงพ่อชายผู้นี้เขาจะมาเรียนวิปัสสนา ผมพบเขาที่บางนาเลยอาสาพามาส่งเขานั่งลงกราบสามครั้งแล้วลุกออกไปบุรุษนั้นกราบสามครั้งเช่นกันหากนั่งนิ่งไม่ยอมพูดจาท่านพระครูจึงทักขึ้นก่อนโยมมาจากไหนละเนี่ยผมชื่อในบุญช่วยนามสกุลยิ่งพัฒนาครับตอบไม่ตรงคำถามยิ่งไปกว่านั้น ท่านพระครูก็รู้ด้วยประสบการณ์ว่าเขาพูดเท็จไปอาบน้ำอาบท่าใชก่อนจะมาเข้ากรรมฐานใช่ไหมครับงั้นก็ไปพักที่กุฏิหน้าโบสถ์นั่นอาบน้ำอาบท่าให้สบายแล้วค่อยมาที่นี่ท่านชี้ไปที่กุฏิหลังที่นางสอิ้งหญิงสองร่างนางสองชาติสร้างถวายเป็นกุฏิกรรมฐาน หลังแรกของวัดป่ามะม่วงเมื่อบุรุษนั้นแบกหีบเดินไปยังกุฏิท่านพระครูจึงเดินออกไปญาติโยมที่ศาลาให้ปฏิบัติกันตามลำพังก่อนเพราะท่านจะต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงในการสงเคราะห์ชายแปลกหน้าผู้นั้นเมื่อท่านเดินมายังที่อาสนะในโบสถ์อีกครั้งบุรุษนั้นก็เดินเข้ามานั่งผระเพียบอยู่ตรงหน้าท่าทางอิดโรย ดูสดชื่นขึ้นหลังจากได้อาบน้ำชำระร่างกายแล้วเจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงรู้ว่าบุรุษผู้นี้พูดเท็จตั้งแต่เรื่องชื่อและนามสกุลคลั้นจะให้เขาเล่าความเป็นมาให้ฟังเขาก็ต้องโกหกอีกจึงออกอุบายว่าก่อนจะเรียนวิปัสสนาอาตมาจะให้อววาทก่อนขอให้ตั้งใจฟังแล้วท่านจึงพูดเรื่อง ที่ตรงกับเรื่องของเขาคนบางคนพอมีปัญหาก็คิดจะฆ่าตัวตายไม่ได้รู้เลยว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโพทำไมถึงต้องคิดฆ่าตัวตายตายแล้วจะหมดปัญหาหรือเปล่าก็หน้าคิดแก้ปัญหาตายแล้วจะหมดปัญหาหรือก็เปล่า น่าจะคิดแก้ปัญหาวิปัสสนานี้วิเศษนักสามารถแก้ปัญหาได้ถ้าปฏิบัติถึงขั้นการจัดเจริญวิปัสสนาจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานต้องรักษาศีลให้ครบทุกข้อใครจะละเมิดศีลแม้เพียงข้อเดียวคนนั้นจะปฏิบัติไม่ได้ผลคำพูดของท่านพระครูทําให้คนฟังร้องไห้ภิกษุรูปนี้พูดราวกับรู้ความในใจของเขา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 ผมขออนุญาตเล่าถวายผมยอมจำนนหลวงพ่อต้องเป็นผู้วิเศษแน่ๆถึงได้รู้เรื่องราวของผมทั้งๆที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนบุรุษนั้นพูดทั้งน้ำตาชีวิตที่หมดความหวังกลับมีความหวังขึ้นมาเมื่อได้พบผู้วิเศษเช่นพระภิกษุรูปนี้อาตมาไม่ใช่ผู้วิเศษหรอกโยม เพียงแต่อัตมามีประสบการณ์มากกว่าปกติคนธรรมดาทุกคนสามารถมีประสบการณ์เช่นนี้ได้หากตั้งใจปฏิบัติไหนเล่าไปซิเรื่องเป็นยังไงไมายังไงห้ามโกหกนะถ้าโกหกอาตมาจะไม่ช่วยครับผมจะไม่โกหกแล้วท่านหูทิพตาทิพออกอย่างนี้ผมจะโกหกได้ยังไร ท่านต้องช่วยผมนะครับเขาก้มลงกราบสามครั้งด้วยอาการนอบน้อมเล่าเรื่องของโยมเธอะประเดี๋ยวอาตมาจะต้องไปสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมบนศาลาสำหรับท่านทุกเวลานาทีมีค่าเสมอครับ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 กับรองผู้จัด ก, การไม่ถูกกันรองผู้จัด ก, การฟ้องผู้จัด ก, การในข้อหาทุจริตและเขาก็ขอให้ผมไปเป็นพยานทําให้ผมอึดอัดมากเพราะทัาผมให้การไปตามความเป็นจริงผู้จัด ก, การซึ่งมีบุญคุณกับผมก็ต้องติดคุกแต่ถ้าผมเข้าข้างผู้จัด ก, การก็เท่ากับผมรู้เห็นเป็นใจกับท่านโกงรัฐบาล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 พวกเขาก็ไม่สงสยัยแต่ตัวผมนั้นเหมือนใจจะขาดกรุ้มอกกรุ้มใจข้าวปลาทานไม่ได้ผมก็เก็บเสื้อผ้าใส่หีบนั่งรถยนต์ลงมาที่สถานีรถไฟตะพานหินตีตั๋วรถไฟจากสะพานหินไปกรุงเทพแต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดพอรถถึงสถานีลบบุรีผมก็แบกหีบลงจากรถ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 แม้จะหิวแต่ก็กินไม่ลงกินกาแฟเย็นไปถ้วยเดียวในหนังสือผมขอร้องทางโรงแรมแจ้งให้ภรรยาผมทราบด้วยผมนั่งเขียนตั้งแต่หัวค่ำกระทั่งสองยามจึงเขียนเสร็จจากนั้นก็นำยาฆ่ามแมลงที่เตรียมมาจากบ้านเทใส่แก้วไฟฟ้าโรงแรมสองริยบรียไม่สว่างสวัยเหมือนที่เพชรบูรณ์บ้านผม ผมนั่งชั่งใจอยู่นานกว่าจะยกแก้วยาพิษขึ้นดื่มพอขอบแก้วจรดริมฝีปากไฟก็สว่างเพรึบขึ้นผมตกใจยาหกไปหน่อยนึงเหลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาเป็นเวลาเกือบตีหนึ่งคนคงใช้ไฟน้อยลงไฟจึงสว่างขึ้นผมตั้งสติวางแก้วยาลงนึกตำหนิตัวเองว่า ทำไมเราถึงทำอย่างนี้พ่อเราปู่เราก็เป็นมัคนาโยกวัดใจบุญสุนทานเรามาฆ่าตัวตายแบบนี้ก็จะสีชื่อเสียงของวงตระกูลแล้วผมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะไปหาสำนักวิปัสสนาไปปฏิบัติที่สำนักสักระยะหนึ่งเพื่อจะเกิดแก้ปัญหาได้ ผมก็นั่งคิดอยู่อย่างนั้นตลอดคืนไม่ได้นอนเลยพอรุ่งเช้าผมจ่ายค่าโรงแรมออกจากโรงแรมคิดแบกหีบเสื้อผ้ามาที่ท่าโพยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีบังเอิญมีรถที่กำลังจะออกจากท่าโพไปสิงบุรีผมก็เลยส่งหีบให้กระเป๋ารถแล้วก็ขึ้นรถมากับเขาเสียค่าโดยสารหนึ่งบาท คงจะเป็นบุญวาสนาของผมที่ทำให้รถมาเสียตรงบางนาเขาก็ช่วยการแก้อยู่นานก็ยังวิ่งไม่ได้ผมจึงลงจากรถและขอให้กระเป๋ารถส่งเหีบบนหลังคาตามมาแบกเหีบเดินเข้าไปในร้านกาแฟสั่งโอเลี้ยงมาดื่มแก้วหนึ่งเจ้าของร้านกาแฟถามว่าจะไปไหนผมก็บอกไม่รู้ คนที่แบกหีบมาส่งโยมนั่นน่ะใช่ไหมครับผมก็นั่งคุยกับเขาคุยไปคุยมาก็เกิดถามว่าเขารู้จักสานักวิปัสสนาที่ไหนบ้างเขาบอกวัดป่ามะม่วงไงจะพาไปเอาไหมขอค่าแบกหีบห้าบาทและจะส่งถึงวัดผมก็ตกลงเขาก็ขอให้จ่ายค่าจ้างก่อนแล้วจึงจะพามาที่นี่ล่ะครับ เอาละเป็นอันว่าโยโ ม, มาถูกวัดแล้วที่นี่จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าโยมีความเพียรมากน้อยเพียงใดอย่าลืมนะวิปัสสนากรรมฐานแก้กรรมได้แต่ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่มาทำจิ้มจิมจำจำโยมพร้อมที่จะปฏิบัติหรือยังพร้อมแล้วครับผมต้องปฏิบัตินานเท่าไรครับ ถึงจะแก้กรรมได้อันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเป็นต้นว่าโยมมีบุญเก่ามาบ้างไหมและที่สำคัญที่สุดก็คือกรรมปัจจุบันซึ่งได้แก่ความเพียรพยายามของโยมเองเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอยู่ที่นี่เจ็ดวันรักษาศีลแปดอาตมาจะให้กรรมฐานเดี๋ยวนี้จากนั้น ท่านพระครูก็ให้เข้าอรัธนาอัตศีนท่านให้ศีลและให้กรรมฐานเสร็จแล้วจึงบอกเขาว่าเอาละ่ะให้เดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงสลับกันไปปกติแล้วคนที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆอัตมา จ, จะให้เดินและนั่งอย่างละ30นาทีแต่ในกรณีของโยมถือว่ามาปฏิบัติแก้กรรม ต้องใช้ความเพียนมากเป็นพิเศษจึงให้เดินและให้นั่งอย่างละหนึ่งชั่วโมงในวันเริ่มต้นและจะเพิ่มขึ้นในวันต่อๆไปเมื่อนั่งภาวนาเสร็จขอให้แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้จัดการรองผู้จัดการตลอดจนทุกคนที่เกี่ยวข้องขอให้เขามีความสุขภายในจิตวันก็จะรู้ผลครับ ผมจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดผมพบทางสว่างแล้วบุญบันดาลให้ผมมาพบหลวงพ่อผมจะไม่คิดฆ่าตัวตายอีกต่อไปท่านพระครูแนะนำเรื่องการปฏิบัติจนเขาเข้าใจเป็นอันดีแล้วจึงปล่อยให้เขาปฏิบัติตามลำพังอยู่ในโบส์ส่วนท่านต้องไปสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมที่ศาลาเมื่อท่านไปถึงก็พบแม่ชีก้อนทองรออยู่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 ที่วัดนี้ฉันหมดห่วงแล้วเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นพิกุลกลับไปสวรรค์ฉันไม่ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อสวดมนต์เป็นเพื่อนเทวดาอีกภาระหน้าที่ของฉันสิ้นสุดลงแต่การปฏิบัติกรรมฐานยังดําเนินต่อไปฉันจะไปสอนพวกหลานๆให้ก็ปฏิบัติกันด้วยจ้ะขออนุโมทนาแม่ชีคิดถูก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 ปฏิบัติกรรมฐานอย่างตั้งอกตั้งใจเพราะเชื่อมั่นว่ากรรมฐานจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ท่านสมภารอนุญาตให้เขาปฏิบัติอยู่ในโบสถ์ได้และยังให้เพิ่มเวลาในการเดินและการนั่งขึ้นเวลา20นาทีเวลาผ่านไป6วันเขาจึงเดินจงกรมและนั่งอย่างละ2ชั่วโมง40นาที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 ดีมากแสดงว่าโยมปฏิบัติถึงขั้นเอาเถอะพรุ่งนี้ก็รู้ผลรับรองว่าโยมแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนท่านบอกเขาเพราะเห็นว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเวลาตีสีของวันรุ่งขึ้นนายไซตื่นขึ้นปฏิบัติกรรมาฐานตามที่ตั้งใจไว้เขาเดินจงกรมเป็นเวลาสามชั่วโมงจนรู้สึกว่าขาทั้งสองข้างแข็ง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 เพื่อซื้อตะเกียงเจ้าพยุมาถวายวัดเข้ามาได้รับแสงสว่างจากวัดแห่งนี้จึงต้องการที่จะตอบแทนด้วยการให้แสงสว่างกลับจากตลาดคงได้เวลารับประทานอาหารกลางวันเสร็จจากรับประทานอาหารก็จะนมัสการลาท่านสมภารเพื่อกรับเพชรโบน ท่านพัฒหารเพนเสร็จแล้วท่านพระครูเดินมาที่โบสถ์เพื่อปฏิบัติวิปัสนาหากครั้งนี้ท่านเดินและนั่งอย่างละ30นาทีเพราะรู้ว่ามีแขกมาหาในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าวุรุดไวใกล้เจเดินเข้ามาในโบสถ์ตามมาด้วยคนแบกหีบเป็นเวลาที่ท่านพระครูแผ่เมตตาเสร็จและกำหนดเลืมตาท่านจาคนแบกหีบได้ แต่บุรุษอีกคนหนึ่งที่มาด้วยท่านไม่เคยเห็นมาก่อนลุงพ่อกรับลุงคนนี้เขามาตามหาหลานเคยสงสัยจะเป็นคนคนเดียวกับที่ผมมาส่งเมื่อเจ็ดวันก่อนเขาพูดกับท่านพระครูหลังจากวางหีบและกราบสามครั้งแล้วบุรุษที่มาด้วยกราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างสวยงามแล้วเรียนท่านว่ากระผมตามมาหาหลานเคยขอรับ คนนั้นใช่ไหมท่านพระครูชี้ไปที่นายไซซึ่งกำลังเดินเข้าประตูโบสถ์มามือข้างขวาฮิ้วตะเกียงเจ้าพายุมาด้วยใช่ขอรับหลานเขยกระผมจริงๆด้วยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เขาพูดอย่างยินดีนายไซกราบพระแล้วจึงไหว้บุรุษไวยใกล้เจ็ดสิบพรางถามลงมาอย่างไรครับเนี่ย ก็มาตามหาเองนะสิเจ้านายทางกรุงเทพเขาโทรเลขด่วนมาบอกให้บอกเองไปพบที่กรุงเทพเพื่อให้การถ้าไม่ไปภายในเจ็ดวันจะต้องถูกไล่ออกและถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาร่วมกันทุจริตแล้วลุง ม, มาอย่างไรครับรู้ได้อย่างไรว่าผมอยู่ที่นี่ลุงก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน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 ยังคงปฏิบัติทุกวันเพียงแต่ไม่เคร่งรัดเหมือนตอนเป็นพระวิปัสสนามีประโยชน์มากนะขอรับกระผมปฏิบัติอยู่สองชั่วโมงเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงและอธิษฐานจิตว่าขอให้พบหลานเคยรุ่งเช้ากระผมก็เข้ากรุงเทพโดยนั่งรถยนต์จากเพชรบูรณ์มาขึ้นรถไฟที่ตะพานหินแล้วตีตั๋วเข้ากรุงเทพ แต่ไม่รู้เป็นอย่างไรพอถึงลบบุรีก็ทำให้กระผมอยากลงจะว่าบุญบันดาลก็คงจะได้กระผมแบกขีบลงจากรถแล้วเรียกสามล้อให้พาไปส่งที่โรงแรมทหารบกค้างที่โรงแรมหนึ่งคืนรุ่งเช้าก็แบกหีบไปที่ท่าโพไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนบังเอิญรถโดยสารกำลังจะออก กระผมก็ส่งหีบให้กระเป๋าแล้วขึ้นรถเสียค่าโดยสารหนึ่งบาทรถวิ่งมาถึงปางงาก็เกิดเสียวิ่งต่อไปไม่ได้เขาก็ช่วยกันแก้แก้อยู่นานก็ยังวิ่งไม่ได้กระผมเลยรำคาญลงจากรถบอกกระเป๋าช่วยส่งหีบบนหลังคาลงมาให้กระผมก็แบกหีบเดินเข้าไปในร้านกาแฟาสั่งโอวันตินมาเดิมแก้วหนึ่ง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 พอจ่ายเงินห้าบาทให้เจ้าของร้านรถก็วิ่งได้ทันทีเหมือนกันในายไซเห็นเป็นเรื่องแปลกโอ้โหค่าจ้างพามาที่นี่แพงจังนะตั้งห้าบาทแพงกว่าค่ารถจากลบบุรีมาสิงห์บุรีสิอีกพันตั้งใจต่อว่าเจ้าของร้านกาแฟซึ่งนั่งฟังเรื่องราวอยู่แม่หลวงพ่อครับค่าพาหนะนั้นไม่แพงหรอก แต่แพงค่าแบกหีบตั้งหลายกิโลนะครับอะไรที่ว่าหลายกิโลหีบหรือว่าระยะทางทั้งสองอย่างแหละครับหีบก็หนักหลายกิโลกรัมระยะทางก็ไกลหลายกิโลเมตรห้าบาทไม่แพงหรอกครับตกลงไม่แพงก็ไม่แพงแล้วหันไปพูดกับลุงหลานคู่นั้นว่าเอาละโยมหมดเคราะหหมดโศกแล้ว พักที่นี่คืนหนึ่งนะพรุ่งนี้ค่อยพากันเดินทางเข้ากรุงเทพอาตมารับรองพันเปอร์เซนต์ว่าทุกอย่างเรียบร้อยพระบุญกุศลที่โยมได้บำเพ็ญมาตลอดเจวันปฏิบัติต่อให้ครบเจวันนะนี่เพิ่งได้หวันครึ่งเท่านั้นครับหลวงพ่อผมขออนุญาตถวายตะเกียงเจ้าพายุคิดว่าอีกไม่นานไฟฟ้าคงจะมาถึงนะครับนายไซ รับคำแล้วจึงถวายตะเกียงเจ้าพายุแดดสมพานเห็นเขาว่าปีหน้าจะมาก็ต้องรอกันไปเอาละโยมพักกับหลานที่กุฏินี่แหละตามสบายนะอัตมา จ, จะต้องไปสอบอารมณ์ของญาติโยมที่ศาลาพาลงไปทานข้าวด้วยคงหิวแล้วท่านบอกในใส่ส่วนเจ้าของร้านกาแฟก้มลงกราบสามครั้งพร้อมบอกลา